ปีที่12ตุลาคมพศ2 5 4 0กา ร, ราบรรยายปุ2565โดยอาจารย์สุเทพโูพธิีศรัทธาท่านสาธุชนที่เคารพการบรรยายสรุปเรื่องเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทในครั้งนี้จะ ยังใช้เอกสารชุดเดิมนะครับชุดเดิมที่คือหนข้อว่าสูตรแสดงอภิสังขารสามคือปุญญาภิสังขารปุญญาภิสังขารอนิจญาภิสังขารข่าวก่อนนั้นได้พูดถึงสังขารสามไปแล้วและได้พูดเข้ามาถึงอีกประเด็นหนึ่งที่ได้ยกพระสูตร ที่แสดงถึงเวทนาสามสุขเวทนาทุกขเวทนาทนาุกกรมสุขเวทนาและในภายใต้ประเด็นนี้ก็มีเรื่องเวทนาสามเกิดจากภาษาเป็นปัจจัยดับไปเพราะภาษาซึ่งเป็นตัวปัจจัยนั้นดับไปก็มีเนื้อความจากประสูนยได้ยกมาแสดงให้เห็นแล้วก็ในส่วนที่สองคือ การกำหนดรู้เวทนาสามแล้ผู้กำหนดรู้เวทนาสามได้เพราะกำหนดรู้ผัสสะสารได้คือผู้ที่กาหนดที่ผัสสะารคือการกระทบอย่างชนานาญแล้วก็จะกำหนดรู้ผลของผัสสะก็คือเวทนาสามเวทนาสามคือเวทนาสามที่กล่าวไว้ในหัวข้อนั้นเองสุขทุกข์กุเบขา เรียกในที่นี้ว่าทุกขมสุขเวทนาผู้ชํานาญในผัดสะก็จะเป็นผู้ชํานาญในเวทนาเพราะว่าเป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกันอันนี้นก็ได้กล่าวผ่านมาแล้วต่อไปนี้จะเป็นการกล่าวสืบต่อไปในหัวข้อย่อยที่สามที่ว่าเพราะรู้เวทนาโดยความเป็นอนิจจงทุกขัง เราไม่มีอนัตตาจึงละกัญหาได้คือการแสดงพระไตรลักษเนี่ยบางครั้งก็แสดงหนึ่ง <c oughs> ที่แสดงอย่าง <c oughs> ค่อนข้างจะมากที่สุด <c oughs> ก็คือแสดงอนัตตาโ <c oughs> ดยเรียกว่าอนัตตาหรือโด้เรียกว่าอนัตตาอนัตตานิยะหรือได้เรียกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรา <c oughs> เป็นคำแสดงอนัตตาบางครั้งก็แสดงทั้งหมด ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตา <c oughs> บางครั้งก็แสดงอนิจจังตัวเดียวบางครั้งก็แสดงทุกข์ตัวเดียวว่าทุกข์สานั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ระไปนะฮะ <c oughs> บางครั้งก็แสดงอนิจจังบางครั้งแสดงสองตัวเ <c> น <oughs> ่ยในทีนี้แสดงสองตัวครับอนิจจังและทุกขัง <c oughs> <c oughs> พระผู้มีพระภาคตรัสว่าบูก่อนสารีบุตร ถ้าเขาถามเธออย่างนี้ว่าท่านสัตยบุตรท่านรู้เห็นอย่างไรความเพลิดเพลินซึ่งเปนเชื่อของตัณหาในเวทนาจึงไม่ปรากฏเมื่อถูกถามอย่างนี้เธอพึงพยายารอย่างไรอันนี้เป็นพุทธธรรมหลัดที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งเป็นปุจฉาเพื่อให้พระสัรยบุตรวิศรรนะัจนา ความหมายของปัญหาก็กง่ายๆครับว่าทำอย่างไรจึงจะละความยินดีพอใจด้วยตัณหาในเวทนาได้หรือพูดอย่างเป็นภาษาธรรมะก็ทำอย่างไรจึงจะละตัณหาในเวทนาได้นั่นเองหรือจะพูดกลับกันว่าทำอย่างไรเวทนาจึงไม่เป็นปัจจัยแก่ตัณหาเนี่ยเป็นสายดับนะจะดับอย่างไร ภาษาลิบุกก็กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะถ้าเขาถามข้าพระองค์เช่นนั้นข้าพระองค์งปรุงพยากรณ์อย่างนี้ว่าข้าพระเจ้ารู้ว่าเวทนาสามเหล่านี้คือสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมุกอะทุกขมสุขเวทนาเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ความเพลิดเพลินในเวทนาจึงไม่ปรากฏอันนี้เป็น เป็นการละตัณหาในเวทนาแบบวิปัสนาคือวิธีการละ <c oughs> ตัณหาในเวทนานี่มีหลายแบบมีหลายแบบถ้าละในชั้นความคิดนี่จะมีมากแบบว่าเราชอบใจในความสุขอย่างไรแล้วก็เห็นว่าความสุขนั้นเป็นความสุขที่เป็นอกนุศลเป็นบาปเราก็นึกถึงโทษนึกถึงบาป เราก็ไม่ต้องการความสุขนั้นเช่นว่าเราชอบสมมติรเราชอบดื่มเหล้าดื่มเบียร์เนี่ยนะหลายคนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าแพ้เหล้าแพ้เบียร์หรือว่าไม่โดยวิสัยสามารถไม่สามารถจะชอบดื่มเบียร์ได้แต่ก็ไม่ดื่มที่ไม่ดื่มนั้นก็คือไม่ใช่ไม่ชอบสุขเวทนาที่เกิดขึ้นจากการได้ดื่มดื่มเบียร์ หรือดื่มสิ่งมึนเมาเนี่ยนะแต่ก็ไม่ดื่มที่ไม่ดื่มเพราะกำหนดรู้พิจารณาหรือมีสัญญาในศีลในโทษของการดื่มสุราด้วยการพิจารณาโทษอย่างไรก็ตามก็ทำให้เรานั้นชอบศีลมากกว่าชอบสุขขวเวทนาทีนี้ไอการการที่เราควบคุมวความชอบในเวทนาอย่างนี้นะมัน มันไม่ขวานล่างลงไปสู่กระแสะทางลึกมันเป็นไปในขั้นห ย, ยาบๆนะมันเป็นแบบศีลศีลก็บอกแล้วว่าศีลเนี่ยเป็นเพียงเครื่องหักข้ามซึ่งออกจะฝืนฝืนใจคือฝืนปริยุทธฐานะเครื่องหักข้ามบีติกะมะแต่ปริยุทธฐานะยังหมีมันก็ยังฝืนฝืนอยู่เราก็ต้องพยายามบังคับวควบคุมอย่างนั้นการละกิเลสถึงละด้วยการบังคับก็ต้องทําแล้วก็การละโดยการ กำหนดรู้แล้วเกิดความรังเกียจตัวไอ้ไอสภาวะตัวนั้นโดยตรงไม่ใช่รังเกียจผลเหมือนอย่างเราพิจารณาเรื่องกรรมเมื่อสะก่นี้นะฮะว่าให้เราไม่กล้าทําความชั่วหลายอย่างนี้เรารังเกียจผลนะเมื่อรังเกียจผลว่าถ้าเราไปทําอย่างงน้นอย่างนี้แล้วมันไม่ดีเราก็เลยไม่ทําหลายเรื่องนี่เราอยากทําแต่พอเรานึกไกลก็จึงรังเกียจผลเอจึงรังเกียจมันเพราะรังเกียจผลนะไม่ได้รังเกียดดจโดยตรง เรายังอยากจะโกงยังอยากจะอะไรอีกหลายอย่างเนี่ยครับเราเราก็ไม่ทําพรเหตุผลนี้ทีนี้ถ้าคนทําวิปัสนาเนี่ย <c oughs> เกลียดอะไรแล้วเกลียดถึงตัวไม่ชอบอะไรแล้วไม่ชอบถึงตัวไม่ชอบเพราเห็นสภาพนั้นในตัวของมันเองเลยไอผลนะ่มันก็เป็นส่วนดีอยู่ข้างนอกออกไปนะฮะไม่ใช่เกลียดตัวกินไก่เกลียดปลาไรกินน้งแก่ เกลียดอย่างไม่เกลียดอย่างก็เลยฝืนๆเย้ๆกันอยู่ตรงนี้ liness, <c oughs> การที่เราติดเวทนาเนี่ยเพราะเรายังไม่เห็นเวทนาว่าเป็นของไม่มีสาระไอ้ที่ผมว่าเราติดเวทนาที่กล่าวเมื่อกี้หมายถึงกรณีของคนที่ ติดแต่ฝืนไม่เสพเวทนาเนี่ยได้เหตุผลนบางที่ผมได้กล่าวแล้วด้วยนะฮะแล้วก็พูกที่ติดเวทนาแบบไม่ได้ฝืนเลยก็คือคนที่อยากยาผิดการเมฆชอบผิดอยากจะเที่ยวสมเรทระเทเมากินเหล้าเมา ย, ยาจะทําอะไรอะไรรวมทั้งหาความสุขจากการเล่นการพนองั น, นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทําไปโดยไม่ได้ <Yeah. S 2> มีจิตคิดฝืนนั่นก็เป็นกรณีหนึ่งทีนี้ถ้าเป็นกรณีของที่พระสารีบุตรพูดหรือนี้ยถ้าเมื่อใดเรายังเห็นเวทนาว่ามีสาระอย่างสองกรณีเนี้สอรนี้ที่ว่านะยังเห็นเวทนามีสาระเราก็ยังเสพเวทนานั้นหรือยังฝืนฝืนหักใจที่จะไม่เสพเวทนานั้นทั้งที่รู้สึกว่ามันเป็นสาระ แต่เห็นว่าไม่ชอบทำเราก็เลยฝืนไม่เสร็จแต่กรณีนี้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ของเวทนาก็คือว่าเห็นเวทนานั้นเป็นสิ่งไม่มีสาระเพราะฉะนั้นเวทนาที่ไม่มีสาระเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวทนาที่มีผลเป็นอย่างไรคือมีผลที่น่ากลัวเหมือนอย่างอาคุศนเวทนาก็ยิ่งไม่ควรเสร และเวทนาที่แม้เป็นกุศลเวทนามีผลในทางที่น่าชอบใจไม่ได้ทาให้ใจเดือดร้อนเนี่ยแต่มันเป็นภาวะของความเดือดร้อนคือเป็นทุกข์อยู่ในตัวของมันเองท่านก็ไม่ต้องการอยากได้ถึงจะเสพอยู่เนี่ยก็เสพอย่างไม่ได้ยินดีติดใจเพราะว่ามันจะหลีกหลบไม่ให้เวทนาอะไรเกิดเลยเนี่ยไม่ได้ ที่เมื่อบุคคลเห็นเวทนาอย่างเป็นของไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้การเสพเวทนาจึงเสพไปอย่างนั้นแหละที่เรียกว่าเสพ้วยใจเป็นกลางเป็นกลางจากความรู้สึกชอบในสุขเวทนานั้นด้วยตันหาโดยตรง เวลาเราชอบสุขเวทนาเนี่ยเราจะชอบโดยตรงว่ามันเป็นของสุขน่าชอบใจและทนได้ด้วยความยากลำบาก อ, อ, อย่างในกรณีของคนที่ทำกรรมฐานเนี่ยเป็นเรื่องที่ชัดเจนมากว่าผู้ใดที่ทำกรรมฐานแล้วก็ไปได้สุขเวทนาแรงแรงลึกๆเนี่ย ก็จะเกิดการต่อสู้การต่อสู้ระหว่างตันหาที่เข้าไปพอใจกับการวางใจเป็นกลางด้วยสติดยพิจารณาว่าเป็นของไม่น่าชอบใจมันจะต่อสู้กันอย่างรุนแรงและผู้ปฏิบัตินั้นจะรู้ได้เลยว่าถ้าความรู้สึกข้างตันหาเนี่ยมันจะเห็นเป็นสาระเพราะตันหาเกิดที่เห็นเป็นสาระ ว่ามันของหน้าชอบของหน้าอยู่ของหน้าทําให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนจะรู้สึกอย่างนั้นและอีกความรู้สึกหนึ่งก็พยายามที่จะอีด ก, กันตันหาด้วยการพิจารณาว่ามันเป็นของไม่เที่ยงนี่ไอ้ไอภาวะของการต่อสู้เนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าเรามักจะแพ้เป็นระยะระยะแพ้เนหมายความว่าแพ้ต่ออิทธิพลหรือต่อพลังของสุขเวทนา ซึ่ทจริงมันเป็นสุขเวทนาในบุญนะในขณะทำกรรมฐานเนี่ยตัวสุขเวทนาในกรรมฐา น, นะเป็นบุญแต่ความชอบใจเป็นบาปเป็นตัญหามันต่อสู้แล้วเราเองผมย้ำว่าเราเนี่ยจะแพ้ซะเป็นส่วนมากแพ้คือหมายกึงว่าเวลาปฏิบัติไปแล้วเกิดไอ้สุขเวทนาขึ้นเห็นเป็นสาระ หน้าภูมิใจหน้าชอบใจหน้ายึดถือเอาเป็นสาระอย่างยิ่งมันรุนแรงเหมือนกับไอ้คนที่ตกอยู่ปลายใต้อิทธิพลของเวทนาจากเบญจการรมคุณยากที่จะปลดเปลื้องออกมันก็ครอบงำตรงนี้แล้วคนปฏิบัตินี่จะแพ้อย่างนี้และจุดแพ้เนี่ยเราก็มองดูก็เห็นเลยว่า บางคนถึงเป็นคนอื่นเราคุยแล้วก็พอรู้ออกเป็นอย่างนี้ไอ้เราเราเองเราก็ดูหรือบางทีเรารู้แต่ว่าเรายังไม่ปล่อยเรารู้ว่าตรงนี้เราเรีย่ยงเรี่ยงพรำแต่มันเหมือนจะเต้นใจเต็นใจที่จะยังพอใจต่อสุขเวทนานั้นและขนไอ้ไอ้เกณฑ์ที่เราจะวัดว่ามันเป็นตัญหาหรือไม่เป็นตัญหาเนี่ยไอ้แค่จะพิสูจน์ว่าเป็นตัญหาหรือไม่เนี่ยนะฮะ ให้เรายอมรับนี่ยังเป็นเรื่องยากเลยนะถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นตัณหาจะทำไม่ให้เกิดตัณหาในเวทนานั้นยากหนักนึ่นปอีมียากสองขั้นนี่ไอเกณฑ์พิสูจน์นี่เราจะทำอย่างไรอ่าเดี๋ยวผมจะพูดตรงนั้นหลังประเด็นนี้คือต้องการจะย้ำว่าคนที่ทำสมถะแล้วได้สมาธิอย่างล้ำลึก สุกเวทนารุนแรงเนี่ยเมื่อมาพูดให้เกลียดสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องร้ายแรงมากเพราะว่าคนลงมันดื่มดำเนี่ยครับถ้าพูดกับคนที่อยู่ในโลกของกามาวจรเนี่ยต้องเทียบว่าเหมือนกับคนเสพเมถุนธรรมมันเป็นเรื่องที่พูดกันไม่รู้เรื่องที่จะให้รังเกียจไอสุกเวทนาที่เกิดขึ้นจากเมตุนธรรม คนที่ได้ชาเนี่ยมันดื่มด่ำยิ่งกว่านั้นเพราะฉะนั้นก็เลยถือเอาสุขเวทนาเป็นสาระไอต้ตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่เรียกว่ายากที่พระพุทธเจ้าจะทำให้คนเนี่ยลังเกียจชาที่เขาได้เห็นชานที่เขาได้ว่าเป็นสิ่งไม่เป็นสาระยิ่งเขาสั่งสมมาความเห็นเขาก็ว่าเป็นสาระตัณหาเขาก็อยากให้เห็นเป็นสาระสองแรงอะตัณหามานะ ไอ้ตัณหากัะติศทีแล้วบวกมานะเข้าไปด้วยมานะในหมายถึงความภาคภูมิความเป็นเจ้าหมูเจ้าก็น่าเจ้าของทิศดีจึงคู่กันไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นคนที่เข้าฌานเป็นบาทแกวิปัสสนาเนี่ยมามาวกตรงนี้นะเมื่อคนนึงพูดรู้เรื่องแล้ว่าอะไรเป็นอะไรเข้าฌานเป็นบาทแกวิปัสสนาพอเข้าแล้วปรากฏมันมันจมแทบ้าอยู่กับบาศ มันไม่ยอมต่อวิปัสนามันไม่อยากออกอ่ะอจริงว่าบางสายเนี่ยเขาถึงบอกว่าเขากลัวจริงจะให้เวลาทํากรรมฐานแล้วก็ให้ได้สมาธิดีๆก่อนแล้วไปต่อยวิปัสนามันไม่ยอมต่ออเพราะเรื่องอะไรจะไปต่อให้เหน็ดเหนื่ยอยอสิ่งที่ทําให้ไม่ยอมต่อคือตัณหาเองมันรู้สึกว่ามันสูญเสียสูญเสียวันหนึ่งไอ้ดูดีๆเนี่ยมันเหมือนกับไอ้เราเนี่ยนะไปรักใครสักคน ที่เราว่าสวยเราว่าลังงามในจินตนาการนะครับแล้วอยู่ๆพระมานั่งบอกแล้วบอกเจ้าบ่าวหรือบอกเจ้าสาวมันดูนึงไม่สวยแหมอยากแค่นี้มลพระ ล, ลงในบ้านเดี๋ยวนั้นเลยมันเป็นเรื่องที่ขัดความรู้สึกอย่างรุนแรงนี่เทียบกับกาหม า, อาจอนวังนี่ทีนี้ว่าขนาดคนที่เขามาสอนกรรมฐานแบบให้ทําสมาธิก่อนเนี่ย อย่างบางสายเนี่ยนะพอลงสมาธิแล้วเนี่ยมันมันเคลิ้มอะเคลิ้มในสมาธิพอจะไปต่อเนไม่อยากต่อมันกลัวเสียคล้ายๆจะให้ลุกจากสมาธินะแหมไม่อยากกยับตัณหาเลยเป็นตัวกีดกัน้นกีดกั้นไม่ให้ทําแล้วกีดกั้นทัศนคติต่อนามต่อรูปว่านามรูปเน่ยเป็นของไม่เที่ยงไม่เป็นตาระตัณหามันก็พยายามให้เห็นเป็นสาระ พยายามจะให้ทำเพื่อเพิ่มความเห็นเป็นฐานละให้หนักยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปเลยมันเลยขวางตรงนี้อ่ะซึ่งไอ้จริงไอ้สมาธิเนี่ยหรือฌานเนี่ยมันโดยคุณสมบัติมันเป็นบาตรของวิปัสนาได้ดีและพร้อมกันนั้นก็เป็นบาตรของตัณหาได้ดีอย่างเหนียวแน่นด้วยมันจึงต้องยื้อให้ได้ต้องแย่งกันระหว่างตัณหากับกับกรรมฐานเนี่ย มันเหมือนกับเรากินข้าวเนี่ยนะรับประทานอาหารที่เป็นบปัจญาเนี่ยพิจารณาเป็นธรรมะ ก, ก็ได้อาหารเลปฏิกูและสัญญาเนี่ยอาหารอร่อยอร่อยแล้วมาพิจารณาเป็นอาหารเรปฏิกูสัญญาเนี่ยมันหมดอร่อยถ้าเราจะหวังความอร่อยจากการบริโภคเห็นค่าของความอร่อยจากการบริโภคแต่ถ้ากว่าให้ค่าความอร่อยที่มันได้รสอีกรสหนึ่งที่เป็นรสธรรมะ ซึ่งมันเกิดยากขวาเนี่ยนะฮะมันก็ก็ขัดใจขัดความรู้สึกเราข้อนี้ก็เป็นข้อที่คล้ายกันอันหนึง่งดังนั้นคนเมื่อปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยความสุขในเวทนามันเกิดขึ้นแล้วจะจมแช่และจะจมแช่อยู่นาน การจะปลดเปื้อนตัวเองหรือครูบาอาจารย์ปลดเปื้องเนี่ยจึงปลดเปลื้องยาผมถึงบอกว่าคนเอาว่าอย่างปฏิบัติบางสายที่หลายคนปฏิบัติด้วยกั น, นปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่ไม่เป็นวิปัสนา ท, ทีอย่างที่ครูบาอาจารย์เขาบอกไม่เป็นกเพราะตรงเนี้ยมันดื่มดำแล้วก็อยากจะอยู่อย่างนั้นแหละนั้นพลิกนิดหนึ่งเนี่ยกลายเป็นผิดพลิกนิดหนึ่งกลายเป็นใช่ เหมือนเหมือนชานที่ว่าเป็นบาตรที่ว่าเป็นบาตรนี่ก็เพราะว่ามันคุมตัณหาอยาบแต่พลังชานเนี่ยคุมตัณหาบางอย่างไม่ได้ไอ้ตัณหาตัวนี้เป็นตัณหาดื้อยากตัณหาดื้ชานนะต้องใช้วิปัสสนามาแก้มันถึงเอามันได้นะทีนี้ถ้าไอ้ตัณหาเนี่ยมันคุมคือมันยึดชานและทําให้เราทําวิปัสสนาทําให้เรานมีทัศนะปฏิเสธวิปัสสนาปฏิเสธการทํา มันก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่มีโอกาสใช้คุณสมบัติของฌานที่มีอความสามารถที่จะเป็นบาตรต่อวิปัสสนาได้มันเลยยากตรงนี้ไม่ได้ยากตรงใชจยากตรงโดนหน่วงยึดไว้เนี่ยการจะปลดตรงนี้จึงยากพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอี ก, อกปลดไม่ได้จึงว่า คนที่ปลดได้ง่ายอย่างพูดถึงว่าเอากันจริงๆทั้งเรื่องในสมัยมุฒธการทั้งเรื่องอย่างเดี๋ยวนี้เนี่ยจุดปลดมันจะอยู่ตรงนี้คือเมื่อเราทำ เ, าเวทนานั้นให้เกิดเสพคุ้นจนชินแล้วจนชินแล้วเนี่ยจะเริ่มพูดกันรู้เรื่อง หมายความว่าเออเขากําลังแต่งงานกันใหม่ๆก็อย่างไปยุ่งกับเขาที่มากนักให้มันพ้นระยะข้าใหม่ปลามันมาก่อนนี่นะแล้วค่อยมาพูดกันให้ชักเถียงกันสน้ำคำก่อนแล้วค่อยมาพูดจะเริ่มพูดรูเรื่องคือหมายว่าเวลาพอทำํำทำไปเนี่ยพอได้ความสุขมหมาโอ้โหมันตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากนะแทบจะเรียกว่าเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม เอาอะไรมาแรกหมายถึงแรกเอาไปถ้าแรกให้อยู่ก็ยอมฮะยอมเลยให้นี่อยู่ยอมทุกอย่างเลยถึงจะทิ้งนั่นที่นี่กันเป็แล้วแถวว่าเวลาโกลมาเจอใหม่เนี่ยนะทีนี้พอไอ้ทุกเนี่ยครับไอ้ตอนมามก็ได้ทําม้าปลายมาพอมาทันหาเข้าสวมพอสวมเริ่มก็เริ่มเริ่ ม, มยึดนี่พอหยึดนะเนี่ยไอ้ความยึดเนี่ยมันเป็นตัวทําลายไปด้วยนะมันแปลกอะว่ามันทั้งรักษาทั้งทําลายมันเหมือนกับ ไอเราไปรักใครแล้วเรารักก็รักถึงก็ถึงเนี่ยพอหึงก็บ่นบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะจุกจิกบ้างจ่วยจีบบ้างถามว่ารักเขารารักแล้วกาลังทำอะไรอยู่กำกำลังไล่ก็ <c oughs> <c oughs> คือมันเกิดได้พฤติกรรมขัดแยง้งธรรมะที่เราได้เนี่ยเรามีตัณหาเข้าไปกำหนดเนี่ยเรากาลังให้เกิดความรู้สึกในทางทําลายแกธรรมะด้วยด้วยเจตนาลงมาจะเอามันไว้ แต่เอามันไว้แบบทำลายนะแบบไอ้ควขี้เหนียวอย่างที่ว่าเจตนาจะเาไว้แต่ว่าไอ้ความขี้เหนียวมันคือการทำลายทำลายให้ตัวเองไม่ได้ประโยชน์กับของนั้นทำมามันก็จะเริ่มเสื่อมไม่เพียเริ่มเสื่อมเนี่ยมันก็เกิดความขัดใจขัดใจว่าเอ๊ะเอ๊ะทำมเมืม่อก่อนก็ได้อย่างใจดแต่นี่ชักไม่คยได้อย่างใจนะพอมันลดกําลังมาหน่อยก็ชักรู้สึกว่าผิดใจหงุดหงิด ระหว่างนี้แหละครับคือเรื่องเป็นระยะเริ่มมีปากมีเสียงกับคู่สมรสกันนะถ้าอาจารย์เขาเขาสอนจะได้ผลตรงนี้บอกนี่มันไม่เที่ยงเราอย่าไปหวังความสุขกับสิ่งเหล่านี้เลยหวังโดยตัณหาอย่าไปยึดให้ปล่อยให้ทำใจเป็นกลางเป็นการคลาย อ่ะโทอภิชานะพอใครวิชาโทรมนัดมันก็เปล่าใช่ไหมละ่ะไอ้ความเป็นกลางก็เกิดขึ้นยิ่เนยญาโลเกพิชาโทรนัดสังก็เกิดพอมันเกิดเนี่ยเราก็ใส่อะไรที่นเป็นธรรมะลงไปลงไปลงไ ป, งไปให้ตั้งข้อลังเกียยเดียดฉันไอ้ไอ้ทุกขเวทนาไอ้ทุกขเวทนานั้นแล้วก็รวมกัไอ้ทุกขเวทนาที่มันเกิดแทรกแซงเข้ามาในระหว่างมีปัญหากัน กคือไอ้ประเภทหัวล่างข้างแตกบ้างอะไรบ้างอะไรระหว่างนั้น น, น, น ะ, นะก็ทำธรรมะทําให้เราหลุดจากปัญห า, าการของเวทนาที่ตัณหาเข้าไปก็เกี่ยวธรรมะใหม่ก็เกิดขึ้นเพราะธรรมะใหม่เกิดขึ้นมาอีกแล้วครับไอ้ตัณหาใหมา่แล้วมันก็เข้ามายึดอีกแล้วก็ต้องปลดมันอีกทีนี้ว่าไอ้เวลาที่มันมันยิ่งลึกลงลึกลงเนี่ยมันก็ยิ่ง ตันหาละเอียดเนี่ยมันมีภาวะเหนียวแน่นกว่าตันหาหยาบนะความเป็นบาปน้อยกว่าแต่ความเหนียวแน่นมากกว่าคือพลังมากกว่าเราพูดว่าไอ้คนหยาบกับคนละเอียดเนี่ยไอ้คนยาบเนี่ยมันก็แค่อยับยาบเดี๋ยวก็ไปแล้วมันเอาโดยมากรภกษาอะไรไม่ก็อยู่อ่ะแต่คนละเอียดเนี่ยนะคนมีมีแผนละเอียดเนี่ยมาลําลึกเนี่ยโอ้พวกนี้ลราก็ ก็กุมพับแล้วกับโมไม่หลุดล่ะแผนสูงเพราะอะไรเพราะตัญหาเนี่ยมันได้รับอุปการะจากธรรมะจากอุเัยจาธรรมะเนี่ยมันก็มีความละเอียดมันก็อยากเพราะฉะนั้นคนละกิเลสเนี่ยดึงว่าละตัญหาหยาบได้ก่อนละตัญหาละเอียดได้ทีหลังมันละเอียดถึงขนาดว่าคน ปฏิบัติเนี่มาติดตรงนี้ว่าดูไม่ออกว่ามันเป็นตัณหามันต้นกันไ่หมดเลยว่าเอริศตัณหาหรือศรัทธาใช่ไหมเราเองเนี่ยพอจะดูออกเนี่ยนานมากก็ได้จุดดูเนี่ยดูตรงนี้อนี่กําลังจะบอกว่าเราจะเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์วัดว่าเป็นตัณหาหรือไม่เป็นตัณหาในแต่ละระยะแต่ละระยะนั้นเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยดูตรง ลองตัดลองลองท่ายสิแล้วดูตรงไหนดูตอนไม่ได้อย่างใจคือเมื่อพลัดพรากจากภาวะที่น่ารักเหมือนพลัดพรากจากกองรักแล้วก็เมื่อประสบกับของกับสิ่งที่ไม่รักเป็นเกณฑ์วัดนะคือในขณะที่เรา ทำแล้วก็ดื่มดำดิ่งอยู่อย่างนี้นะให้สังเกตุี้วันหนึ่งถ้าเรามีความรู้สึกว่าอยากให้อยู่นะะไม่อยากให้หายหมายมั่นระวังอย่างคนหวงของเงนีนะแต่จะเรียกว่ามันเหมือนกับหึงๆมันนะจะขยับจะมองอะไรจะอะไรก็ไม่ได้อย่างนี้นะยิ่งแรงในยิ่งตันหายายิ่งตันหาระดับนั้นแรง มีความหมายใจอย่างนี้ทั้งก่อนทาขณะทมและหลังทาอยากให้อยู่ไม่อยากให้เปลี่ยนเป็นความเป็นเจตจำนงที่ขัดคอใครอย่างชะาจักันขัดคอพระไตรลักษณ์ใช่ไหมฮะไอตนาเขายัางมี่แหละขัดคอพระไตรลักษอย่างชะาจักันเลยแต่ว่ามันขัดสำเร็จไหมขัดไม่สำเร็จ แต่์ลักเนี่ใครขัดไม่สําเร็จสักคนทีนี้เมื่อเราเราอยากเนี่ยไอตอนที่เราสวมความหมายใจลงไปเนี่ยแน่นอนมันก็ไอเมื่ออยากแล้วคนมันก็สมอยากไม่สมอยากก็เหมือนกับธรรมดาเนี่ยใช่ไหมบางครั้งก็สมอยากบางครั้งก็ไม่สมบางครั้งก็เกินอ้อจะเรียกว่างไงดอีอ่าเกินเป้าหมายนะเกินเป้าหมายของความอยากไอที่มันเกินเป้าหมายเนี่ไม่ใช่มันเกินเพราะอยากนะ มันเกินว่าเหตุปัจจัยอย่างอื่นมันเกินเป้าหมายอ่ะใช่ไหมเหมือนใครทําอะไรแล้วมันเกินเป้าหมายเนี่ยว่าจะไปหลอกอย่างคนเออนี่ไปทวงเขาแค่หกหมื่นได้แปดหมืนเนี่ยโทรมาปรึกษาว่าจะคืนเขาไหมมันได้เกินเป้าหมายบอกเลยมันได้เพราะว่าเออไอมันก็เป็นกุศลนี่บากระนะแต่มันมาในอย่างนี้เราจะเอาไหมล่ะ อีกทีเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยบางทีเอ๊เราไม่นึกเลยเนี่ยว่ามันจะได้ปุ๊บปั๊บโผล่ขึ้นมาไงน่ะโอ้โหมันเกินเป้าหมายไอ้ซันหากระรี่เล็กกนีดมันก็ยิ่งนึกว่าเป็นผลงานของมันน่ะนะเป็นผลงานของมันมันก็เข้ารุบเลยทั้งมาน่าั้งจิตเตะอะไรตะโกนกันม่วหมดค่นี้พอมันมาแล้วตัวเองมีความ คิดมีความเข้าใจแบบสวนทางกับกับประทายลักษณ์เนี่ยไตยลักษ์ใครไปขัดไม่ได้มันก็ต้องมีการเปลี่ยนนะฮะขึ้นขึ้นลงลงเมื่อมันลงเนี่ยมันลงเนี่ยด้วยอำนาจตันหาทําให้ลงด้วยอำนาจของไอ้สภาวะเหตุปัจจัยด้านอื่นด้วยเราแบ่งเั็นลองอย่างนะว่ามันลงเนี่ยแม้ไม่มีตันหาก็ไม่ใช่ว่ามัจะไม่ลงนะ นันก็หลงไอ้ทันหานี่เป็นปัจจัยที่หน่วงทําลงอีกยันหนึ่งไอ้อย่างอื่นเช่นอะไรบ้างเช่นความเพียนเราน้อยไปเช่นว่าตัปปายาไม่ดีหรือว่าอ่อุบายโกศลด้ไปหน่อยไอ้ตอนใดตอนหนึ่งธรรมะก็หลงใช่ไหมธรรมะมันขึ้นขนลงลงเนี่ยไอ้เราก็ต้องดูเหตุปัจจัยด้วยนะกําหนดว่ามันอะไรจำเลือนรูมันก็จะได้คําตอบอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องกําหนดรู้ทั้งนั้นนะ แต่ว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยมันไม่ยากมันผุดผุดอ่ะแค่กำหนดนึกปู่ขึ้น ม, มาให้คําตอบเราก็แก้ไขได้ควบคุมได้แต่ น, นี้เมื่อมันลงเนี่ยอะไรเข้ามาแทนที่เลยคือเวลามันขึ้นอย่างผิดคาดตัณหาก็เกิดรุนแรงแล้วมันไม่ได้คิดว่าไอ้ลงมันอาจจะผิดคาดตัณหาไม่คิดนะนะมันคาดแต่ไอ้ที่จะเอาไอ้ที่ผิดคาดทางดี พอามันลงผิดคาดกันเนี่ยโธ่สาเกิดความท้อแท้ความหมดกําลังใจความตีโพยตีพายเกิดเธอคือถ้าพูดับคนมาปฏิบัติเนี่ยไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกว่าเลื่นแค่นี้มันจะอะไรกันนักหนาใชยปัญหาเนี่ยมันนักหนาทุกระดับคนยังไม่ไม่รู้จักพอใจธรรมะเนี่ยเวลามันผิดหวังในธรรมะมันเศร้าซ้อยข น, นาดไหนคนไม่เกิด รถสนิยมไม่ถึงไม่รู้หรอกก็รู้แต่ว่าเล่าบวกมามันเกิดความรู้สึกยังไงบ้างอ่าอย่างนั้นมันรู้แต่ยี่ไม่รู้มันก็ว่าอะไรกันนักหนาไอ้เราก็ว่าแค่เอกวดเล่าแต่ไปกวดสองขวด <c oughs> <c oughs> แค่แหวมันก็โมยกินไปสั <c oughs> กขึงขวดทีจ ะ, ะได้นักหนานยนะมันไม่มีสาระอะไรแต่ว่าไอ้คนยึดเนี่ยมันก็มีทีนี้พอ เอไอ้ภาวะตกต่ํามันเกิดขึ้นเนี่ยโทมนัสมันเกิดขี้เป็นตัวเป็นตาว่าอย่างโ้นอย่างนี้แล้วบางทีอาจารย์เขาบอกแล้วก็ไม่ฟังนะโทมนัสแล้วทีนี้พอมันเกิดตอนนั้นมันก็เกิดอาการตะกุ่มตะกรามตะกุ่มตะกรามคือไอ้ภาวะสมบุรณทางใจเสียมันจะต้องเอาให้ได้ทําไมนะโ ท, มโทษนนโทษนี่บอกเนี่ยเพราะอาจารย์คนนี้มาจะอาจารย์คนเก่าก็ดีไปแล้ว พอมาทําที่นี่เชอเพราะอย่างงน้นอย่างงี้เชื่อโทษแม่กระทงำอาเพราะน้ําที่น้ําอาบไม่ดีอาบแล้วมันคันเชื่อะไรอย่างเงี้ยหาเรื่องกูกุดจะเลอะเทอะไปหมดก็เลยไปกันใหญ่โดยสุดถ้าไอความรู้สึกที่มันลามใหญ่เนี่ยมันจะกินหน่อยหลังคือมันจะกินตัวกินน้ำมะกินน้ำมัหมายความว่าไอ้สิ่งที่เราได้แล้วเนี่ยนะครับมันจะถูก ไอ้กิเลสเ น, นีมันมันใจใจกลับมากลับมาแล้วถ้าเราเองไม่ไม่หยุดใจนะไม่ปล่อยวางไม่ทําใจเป็นกลางเรายุ่งไปตีโพยดีไปลายเทียคายว่าลงทุนเอาก็ะตุนซื้อหุ้นเอากระตุนซื้อหุ้นเอากรุนกระตุนกระตุนกระตุนและเราไม่ไม่คือที่ผมใช้เขาไม่ทําใจให้เหลือศูนย์เนี่ยเป็นศูนย์เนี่ยซึงหมายว่าเราจะเริ่มตั้งต้นใหม่ ทำใจให้เหลือศูนย์มันอาจจะมีมากกว่าศูนก็ยิ่งดีไงทำใจเออเราเหลือศูนย์อะนี่ใจมันเหมือนคนไม่ตัวเปล่าเล่าเปลือยกิเลสมันก็บอกเออเหลือศูนย์มันเราหลอกมันพราอเราเหลือศูนยแล้วกิเลสเออเหลือศูนย์มันก็บอกเออยังอย่างนั้นเองหมดตัวแล้วข้าก็ไม่อยู่กับเองแล้วประเภทนี้นะก็ปล่อยให้ให้เราอยู่คนเดียวไกลๆอย่างนั้นเราก็เริ่มจะรู้สึกหายใจคล่อง แล้วก็ก็ทมันก็เลยสังเกตอย่างเงี้ยนี่พูดถึงเอประสบการณ์นในทางปฏิบัติอนเรื่องไอ้ทีแก้ไขใจแล้วสังเกตนี่นะว่าบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยถดถอยมากผมว่าท่านหญิงเข้าใจดีกว่าเพื่อนด้วห้องนี้โอ้คงคล้ายๆกันนะไอ้บางช่วงเนี่ยมันถดถอยแล้วเราก็ต่สอสู้แบบตะกุมตะการโอมไลยขึ้น ขอให้ทั้งเราเนี่ยคล้ายๆว่าเหมือนปลานอนนอ่ะไม่บรรลุกไม่บรรลุนอนดีกว่า <c oughs> บอกเออเรายอมมันละบอกปล่อยเออไม่ได้ก็ไม่ได้เอพอพราะวถึงจุดหนึือมันตีขึ้นเออเราเข้ามาดูมันเออมตรงนี้เองอปล่อยใจให้เหลือศูนยะ์คือปล่อยวางไม่ยึดในนี้ไม่ยึ ด, นนย ม, ยดมันก็ค่อยๆตีขึ้นเราก็เลยเลยจับ ไอ้วิธีแก้ไขว่ามันต้องมันต้องอย่างนี้ซึ่งก็หมายว่าไอ้ตัวตัณหาเนี่ยมันเป็นตัวเลวร้ายมากในข้อที่ว่าเวทนาดีๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดเพราะมันเลยแต่ว่ามันจะเอาเหมือนจะกินบนเลนขี้บนหลังคามันทำลายอะชุบมือเปิดดักตีปลาหน้าใส ตัณหาเนี่ยนะในในธรรมะเนี่ยเห็นตรงนี้ชัดหากว่าเราจะไม่ให้เกิดตัณหารก็ต้องไม่ยึดทีนี้ถามว่าไม่ยึดทำไงอย่าไม่ยึดพระสารีบุตรบอกแล้วทำอย่างไรถึงจะไม่ยึดไม่ยึดก็คือไม่เกิดตัณหาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งวิธีอันอื่นอย่างว่าแล้วมีเยอะแต่วิธีที่ดีที่สุด คือการกําหนดเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังและอนาัตตาในนี้ท่านพูดแก่สองก็จริงนะมันจะปล่อยทีนี้การปราลบอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยถ้าเราเห็นภาวะของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาละเอียดเท่าไหร่ตันหาจับไม่ติดเท่านั้นถ้าเราจับอนิจจังทุกขังอนัตตายาวเท่าไหร่ เนี่ยนะตันหนาก็ยังจัติดได้มันมีมุมติดขึ้งมนเพราะนั้นเวลาคนอระลารบปลุกปลอบใจตัวเองเนี่ยว่าเวลาเรามีความสุขหรือมีความทุกข์ไม่ให้โทมนัส ด, ด้วยเนี่ยนะก็กาหนดเออไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็พ้นไปเราก็ไม่เกิดความติดใจเวลามันพ้นไปก็ไม่โทมนัส นี่้ที่เป็นทุกขเวทนาปรากฏเรากำลังโทมนัสอยู่เรารู้ว่าโทมนัสเนี่ยมันเกิดจากความผิดหวังในเวทนาก็รู้ไม่เที่ยงกำหนดรู้ไม่เที่ยงเนี่ยไอ้โทมนัสก็ไม่มีก็เลยละได้ทังของอยากด้วยการกำหนดอนนจัง <c oughs> คือในแนวความคิดชหมายไหนรู้ในใจในเนี่ยเอาหลักที่เราทาได้ <c oughs> แต่คนที่เห็นอย่าง <c oughs> ชัดชัด ว่าเวทนาเกิดขึ้นเป็นที่ๆเป็นจุดๆแล้วก็สลายไปเป็นที่ๆเหมือนลมพัดมาต้องตัวเนี่ยแล้วก็หายไปเป็นจังหวะจังหวะคืออย่างกรณีของคนที่ไอเวทนาเนี่ยมันไม่ได้เกิดแบบตัวมันเองเฉยๆนะมันต้องมีอารมณ์ที่ตั้ ง, งเวทนาด้วยอย่างเช่นเวทนาทางกายเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไร เกิดขึ้นจากผัวภาตละเอียดในตัวเราพัวธาละเอียดและผัวภาตละเอียดเกิดจากอะไรเกิดจากจิตที่ละเอียดนะฮะในตัวเราแล้วก็ไอ้จิตเนี่ยมันก็บังทําให้ผัวธาตุเนี่ยคลื่นเป็นจังหวะจังหวะเป็นละลอกละลอกเวทนาก็เกิดเป็นละลอกละลอกใชเราเราจะรู้สึกเย็นโดยที่ความเย็นยังไม่ถึงตัวไม่ได้ มันต้องความเย็นถึงตัวถึงจะเยน็นจะไปเย็นรอก็ไม่ได้ความเย็นดับแล้วมันจะหยุดมันจะไม่ยอมเลิกเย็นก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้เวทนาก็เกิดใจหิตในหัวใจนี่พอดูอย่างนี้มันก็เห็นว่ามันจะไปผูกยึดให้มันคันได้ตายไว้อยู่โอ้โหมันยิ่งกว่าจับปูใส่กระดง้งเลยมันยังไงมันเหมือนเราแบกบ ของมาแบบแบงก์ก็ได้ายหัวมาแต่แล้วลมตีกระจาย น, นะโอ้โหไปคนละที่คนละต่างเงี้ยจะให้ทำยังไงบางบางใบก็กระโดดลงไปปลิวลงไปในเหวไไปข้างบนก็มีแล้วก็แต่ละที่เนี่ยมีคนยิ้มเพลกันอยู่เป็นแถวไงเรารู้ว่าเราคุมไม่ได้เราปล่อยถูกนะ ไอความรู้สึกปล่อยเนี่ยมันเกิดขึ้นเลยวว่ามันคุมไม่ได้แต่ถ้าเรายังมีความฝังใจยอดมันเอาคืนได้น่ะแล้วไออย่างนี้มันเอาคืนไม่ได้เราก็จะต้องเป็นทุกข์มันก็เลยเกิดความรู้สึกถามตัวเองขึ้นมาแล้วเราจะไปเอาอันไหนไปใครๆน่ยี่ไปยึดอันไหนมันมากมายไปหมดอ่ะจะไปยึดอันไหนคือมันเหมือนกับ ผมมานั่งนึกนึกเทียบว่าไอ้คือหมายถึงมาอยู่ข้างนอกแล้วไปนึกถึงไอ้ตอนที่เราเรารู้สึกก็ไม่เป็นดาราในเวทนานมันเหมือนกับบอกว่าไอ้เวลาเนี้ยไอ้สมมติบ้านช่ององหออะไรนี่ก็ราคาเป็นล้านกันเนี่ยนะคุณแสนเป็นล้านถ้าเกิดว่าถึงจุดหนึ่งตายกันถ้าขึ้นกรุงเทพเนี้ย หรือตายแล้วเหลือบ้านบ้านเราบ้านเดียวเนี่ยเราจะไปอยู่บ้านไหนเราจะไปเลือกโอ้โหฉันเอารถไอ้ที่แหมเราทุกชอบที่สุดไปอยู่บ้านที่เราชอบที่สุดจะไปอยู่ทําไมนะไ ม, ไม่ไม่ใช่เหลือเราคนเดียวนะเอาอะในบ้านเราจะมีสักกี่คนกระดามจะไปอยู่ไม่รู้จะ ย, ยึดทําไม นอนบ้านบ้านละห้องละห้องละตายแล้วแล้วจะไปนั่งบริหารนั่งทำความสะอาดนั่งยึดถือเนี่ยโหไม่คุ้มกันเลยผมว่าหนีเข้าป่าไปอยู่ถ้ำดีกว่าเพราะอยู่อย่างนี้มันมีแต่ภาพของความทุกข์เนี่ยเห็นพวกเราอาจารย์จีสนาเขาให้หนังสือมาเล่มอ่มานเล่นๆ ป, ปีสองพั้ยี่บสี่กรุงเทพยังอยู่ไม่ได้อะ ปีที่สองปีที่สองนี่ก็ว่าพระพูดนะก็ฟังหูไว้หูนะฟังหูไว้หูพูดไ็จนน้ากลัวจะจมไปในเป็นทะลงทะเลอะไรว่างไปถึงขนาดนั้นจะอยู่ไม่ได้ก็ไปอยู่ที่อื่นมีที่มีทางล็เตรียมขายนี่ให้แล้วน่าจะบอกตั้งแต่สมัยที่ที่ดินยังเมงๆองแางนะียนะจะได้หลอกซื้อที่ดินถูกๆแล้วมาขาย <c oughs> ขายเก็งกไร เอาประโยชน์จากพวกกลัวตายมันก็เป็นอย่างเนี้ยสาภาพมันเป็นอย่างนี้คือของอะไรที่มันเหมือนเป็นของหน่วยชิ้นแล้วเราไม่สามารถจะอยู่กับมันได้ปรองใจกับมันได้เนี่ยนะแล้วมันเหมือนไม่ใช่ของเรามันมากมายไปหมดก็เลยไม่รู้จะยึดถืออะไรเป็นสาระนะเป็นของไม่ยั่งยืนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเมื่นรู้ว่า อันเมื่อกี้ไม่ใช่อย่างอันหนึ่งอันดีอันนี้ก็จะต้องเป็นไปเหมือนอย่างอันเมื่อกี้ก็เกิดการปล่อยแล้วก็เฝ้าดูมันอยู่เฉยๆถ้าเรามามัวนั่งยึดถือไว้ไอ้ลมที่พัดให้เย็นเมื่อกี้อย่าไปไหนไปไหนจะตงไปไปเอากลับคืนมาหรือเราจะต้องวิ่งไปไปสัมผัสเกลือกกลัวกับมันเราก็จะไม่มีความถูกเลยพราะลมเขาจะไม่ฟังเสียงใคร เขาก็ไปตามเส้นทางนี่ถ้าเราไม่ยึดเนี่ยไอ้ลมไหนก็เดินผ่านมาก็เราไม่เคยไปยึดใช่ไหมผ่านมาเอาแก้วมาแล้วก็สําบัติเราเกิดความรู้สึกขึ้นแล้วก็ผ่านไปไม่มีอะไรนี่เรียกว่าเป็นความปล่อยวางตันหาไม่เกิดอันนี้จังดีตรงนี้แต่ต้องเป็นอันนี้จังทุกครั้งที่เป็นสภาวะละเอียดนะฮะ ถึงจะถอนตันหาละเอียดได้ดังนั้นพระอรหันเนี่ยเข้าถึงสภาวะละเอียดจึงละความชอบใจในเวทนาทุกอย่างได้อ่านี่ผมก็พูดถึงตันหากับสุขเวทนาเนี่ยเขาชอบกันแบบซึ่งๆนะตันหากับทุกขเวทนาเขาก็ชอบกันแบบ ไม่ซึ้งหนะ้าแล้วก็มีแง่มุมนะฮะเห็นทุกขเวทนาของคนอื่นเขาชอบทุกขเวทนาของตัวเองที่เป็นปัจจัยแก่สุขบางอย่างเขาชอบนะะทุกขเวทนาบางอย่างที่ไม่ชอบก็เกิดตัณหาเพราะอยากแก้จะให้เกิดทุกขเวทนาคือเป็นเป็นการยินดีแบบนี้เงื่อนไข สัมมาทุกเวทนาครูบาอาจารย์เขาอาธิบายเรืเยอะแล้วตรงนี้และอาทุกคมาสุขเวทนาอาทุกคมาสุขเวทนานั้นก็เป็นสิ่งที่ตัณหาชอบอย่างมีเงื่อนไขบ้างไม่มีเงื่อนไขบ้างบางอย่างเนี่ยเขาชอบโดยตรงโดยตรงเช่นว่า อ, อุเบกขาเวทนาในฌานเนี่ยก็ชอบโดยตรง แต่ถ้าเป็นอุเบกขาอย่างระดับเราเนี่ยเราอาจจะบางทีก็ชอบโดยตรงบางทีก็ไม่ชอบโดยตรงคือถ้าหากว่าอุเบกขาเวทนาใดที่เราสลัดหลุดออกมาจากทุกขเวทนาแล้วมาอยู่ในภาวะของอุเบกขาเวทนาเราชอบที่บอกว่าสุขที่เกิดจากความทุกข์แปรปรวนไป ดับไปก็เห็นเป็นของน่าชอบอยู่ในภาวะเฉยๆแต่ว่าถ้าอุเบกขาเวทนาที่หลุดออกมาจากสุกเวทนาอ้าวเราไม่ชอบใช่ไมว่าเออเมื่อกี้ก็เป็นสูงก็ทำไมเฉยเขาก็เกิดไม่ชอบกันมาแต่แล้วก็เป็นอันว่าข้อคิดของภาษาลบุตตัวนี้ที่เราจะเอาไปใช้ได้สำหรับชีวิตธรรมดาก็คือต้องนึกว่าไม่เที่ยงไม่มัน่นคงของชัวง่วคราว โดยเฉพาะเวทนาที่ไม่ถูกต้องโดยธรรมเนี่ยพอมาเลือกว่าของชั่วคราวชั่วคราวเนี่ยก็ยับยัง้งแย้งใจได้เจอบางเรื่องเนี่ยอ่าก็เป็นเรื่องที่บางทีเขาปราณลบ ก, กันไปนเรื่องโลภเวสั ย, ยน่ยะแก็ใช้จำนวนพูดไม่ได้เพาะมันเป็นของชั่วคราวเสร็จแล้วก็มันเครื่องไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรเหลือชั่วไประเดี๋ยวเดียวอย่างเนี้ย แล้วก็ถ้าเป็นสํานวนของตวีไนเวลาสอนพระในเรื่องป ร, ราชีกข้อหนึ่งท่านก็มีสํานวนพูดเนี่ยเพื่อเห็นมป็ของชั่วคราวบ้างเป็นของที่น่ารังเกยียจบ้างถ้าว่าพระจะไปอ่าประพฤติป ร, ราชิ้ข้อที่หนึ่งเดี๋ยวไม่ชัดจะเอายกตัวยอย่างหน่อยแล้วกันนะขออภัยที่ท่านบอกว่าอเมถุนเป็นของมีน้ําเป็นที่สุดนะก็คือไม้มึนแค่นั้นมึงก็ ก, ก็จบแล้วอะไรเงี้ยยให้พิจารณาอย่างนี้ เป็นของชั่วกล่าวหรือว่าเป็นของที่อเป็นของในที่รับอะไรเงี้ยก็หมายว่าต้องเปะสุกซ้อนซ้อนอย่างคนไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไอจะมามีเกยียรติจะไม่สุกไม่ท้อนก็เสียเกยีรกยรติเสียศักดิ์ศรีแล้วตกลงตังค์เกิดตังล็องก็ก็ให้พราพิจารณาอย่างนี้แล้วก็สุขเวทนาที่โดยชอบธรรมก็ควรพิจารณาอย่างนี้เราจะได้ไม่เกิดความยึดติดและทําให้เกิดความสุขทุกจากความถูกต้อง คือถ้าเป็นความทุกข์จากความไม่ถูกต้องเนี่ยมันทุกข์ในทางบาปด้วยนะแล้วก็ทุกข์ในทางทุกร้อนใจทุกข์ในทางข้อตาหนิต่างหลังโคมด้วยแต่ถ้าเป็นอสุขเวทนาในทางถูกต้องถูกต้องหมายก็ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเสพสุขนะไม่เข้าคุกไม่เข้าตารางไม่ต้องตกนรกแต่ว่าถ้าเรายึดถือไม่พิจารณาถึง อันนี้จังทุกขงัองอนาตามันก็ต้องเป็นทุกข์อีกใช่ไหมว่าเรายึดมั่นนี่ถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วก็เสพสุขแล้วก็ได้ต่ได้จะสุขแล้วไม่ต้องกัดทุนคือเป็นทุกข์ที่หลังความสุขที่กัดทุนภายหลังมีความสุขที่ไม่กัดทุนก็มีแบบลกๆนะฮะเราพุทธเจ้าถึงสอนให้ปล่อยเพียกว่ามีโคพคาซั์ความสุขใน ที้สุขของผู้คลองเรือนแล้วต้องไม่ยึดถือถึงจะปลอดภยัยแต่ในนั้นท่านก็บอกว่าไม่ได้บอกว่าไม่ยึดถือให้ทําไงนะ่ะเพียงแต่พูดในทางหลักว่าในสุดนะที่ทีไม่ยึดถือพูดในสุดถืงความจริงถึงจะพูดถึงวัตถุเนี่ยแต่ความจริงแล้วมันหมายถึงอะไรครับหมายถึงเวทนาโดยสาระจากนั้นก็ว่าต่อไปถึง ผู้เสวยเวทนาสามโดยรู้ชัดว่าไม่เทีย่ยงย่อมไม่เกิดธนานี่ก็ความจริงที่ผมยกสูตรเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพียงเพื่อจะบอกว่าเวทนาท่านแสดงเป็นสามก็มีถ้าพูดแค่เป็นการแสดงความแตกต่างก็จบไปง่ายๆแล้ะครับเวทนาเป็นสามก็มีคือการนิยามหรือแจกประเภทของอวิชชาจนกระทั่งถึง ชาชาลามนะเนี่ยมีตัวที่แจกแตกต่างไปจากบทนิยามที่ได้พูดมาในเอกสารที่ก่อนก็คือสังขารสามมีข้อแตกต่างนะฮะแล้วก็เวทนาในนั้นพูดเวทนาหกมีที่อื่นพูดเวทนาเป็นสามเป็นสองอันนี้ต้องการจะบอกตรงนี้แล้วก็อวิชาอาวิชาที่นิยามก็นิยามเป็นไม่รู้ทุกสมุทัยนิโรธมั้งแต่ว่าในใน ข้าวถัดไปเนี่ยจะพูดถึงอวิชชาเป็นใบใจัยแก่สังขารแล้วก็พูดคูยกับวิชาว่าวิชาเขารู้อะไรอวิชาเขาไม่รู้อะไรอย่างเช่นไม่รู้ขันรู้ขันนี่นะอแล้วก็ไม่รู้อะไรอย่างอื่นแล้วก็เวลาเขาพูดในทางเกิดกระทางดับต่างกันยังไงก็มาโดนหลังเนี่ยจะพูดถึงตรงนี้แล้วก็พูดคุยไปโดยลําดับอันนี้ก็จะพูดถึงในหัวข้อสี่นี้ก่อนว่า แล้ผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกษุนั้นถ้าเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าสุกเวทนานั้นไม่เที่ยงอันตนไม่ยึดถือแล้วด้วยตัณหาอันตนไม่เพลิดเพลินแล้วด้วยตัณหาถ้าเสวยทุกเวทนาก็รู้ชัดว่าทุกเวทนานั้นไม่เที่ยงอันตนไม่ยึดถือแล้วด้วยตัณหาอันตนไม่เพลิดเพลินแล้วด้วยตัณหาถ้าเสวยอทุกขมสุกเวทนาก็รู้ชัดว่าทุกขมสุขเวทนานั้นไม่เที่ยง อันตนไม่ยึดถือแล้วด้วยตัณหาอันตนไม่เพลิดเพลินแล้วด้วยตัณหา <c oughs> ภิกษุนั้นถ้าเสวยสุขเวทนาก็วางใจเสวยไปถ้าเสวยทุกขเวทนาก็วางใจเฉยเสวยไป เ, เมื่อกี้เติมคาว่าเฉยเข้าไปด้วยครับถ้าเสวยอทุกขกรมสุขเวทนาก็วางใจเฉยเสวยไปข้อความบรรทัดหลังนี้สาคัญมากสาหรับ คนที่เคยได้ยินคำ ว, ว่าวางเฉยวางเฉยนะฮะแล้วก็เคยเป็นข้อหลอกเทียงในเชิงไม่ว่าเป็นเรื่องเหมือนพูดเองอันหนึ่งว่าวางเฉยวางเฉยเมื่อสวยเวทนาก็ให้ทําให้วางเฉยเนี่ยเหมือนพูดเองความจริงมีมีพุทธวจนรับรองตรงนี้ถสืเป็นที่อ้างนะวางเฉยแต่คําว่าวางเฉยตรงนี้ไม่ได้หมายถึงใช้เวผู้เบิขาเวทนากําหนดเวทนาอื่น ไม่ใช่เงันนะคือถ้าเป็นเวทนากำหนดเวทนาเนี่ยนี่ผมพูดแบบต้องการจะแยกแยกออกกับเวทนาสามเวทนาเฉยกำหนดเวทนาสาม มันไม่ใช่อย่างนี้เวทนาถูกกำหนดคือสุขทุกขุเบคาเป็นเวทนาที่ถูกกำหนดนะเวลาเขาบอกกำหนดเวทนาเนี่ยในเวทนานุปัสสนาเวทนาถูกกำหนดคือเวทนาสามทีนี้วไอตัวกำหนดจิตที่เข้าไปกำหนดเวทนาสามเนี่ย ที่เรียกว่าเฉยเนี่ยมันไม่ไม่ใช่เวทน า, าเฉยตนนั้นไม่ใช่เฉยเวทนาแต่หมายถึงวิเนยะโลเกอภิชาโทมณสังที่เรียกว่าฉลังู่เบขาอย่างพระอร า, านฉลังู่เบขาคือการวางเฉยด้วยสติหมายาะว่าไม่ได้พูดถึงเวทนาแต่หมายถึง กำหนดรู้เวทนาด้วยจิตใจที่ปราศจากอภิชาและโทมนัสหรือยินดียินาย้า่เรียกว่าเฉยอุเบคาตัวนี้คืออยู่ตรงกลางระหว่างยินดีกับยิน้ายสติปัฏฐานเรียกว่าวิเนยะโลเกะพิชาโทมนัสสังถ้าเป็นภาษาเรียกคุณสมบัติเป็นพระอะคือฉลังกุเบคาฉนะลังกุเบคาเป็นผู้ที่มีใจเป็นอุเบคาคือไม่ยินดียินไล อเบขาตัวนี้เป็นทั้งเหตุและก็เป็นทั้งผลทั้งเหตุหมายก็ว่าเป็นเหตุที่ทำให้เราเจริญในธรรมบองกานความทุกข์ได้แล้วเป็นผลก็คือเมื่อเราเจริญในธรรมแล้วก็จะมีใจเป็นอย่างนั้นมีใจเฉยไม่ยินดียินได้อยู่ในภาวะเป็นกลางที่เรียกว่าใจเป็นกลางในความหมายนี้ทีนี้ เวลาที่บุคคลมีใจเป็นกลางอย่างว่าเมื่อกี้กาหนดเวทนาได้ใจเป็นกลางเนี่ยถามว่าใจที่กําหนดเวทนามีเวทนาไหมไม่ทีนี้เราเขียนใหม่ว่าเวทนาสามที่ถูกกําหนดกับเวทนากับตัวกําหนดคือตัวสติเอาเป็นว่าเราเรื่องสติ มีเวทนาสามเหมือนกันอมีเวทนาสองไม่ใช่สามกวโทษมีเวทนาแค่สองสองก็คือสุขกับอุเบกขาเพราะว่าทุกเวทนาเป็นอกุศลอย่างเดียวถูกไหมเวทนาสามที่ถูกกาหนดก็คือสุขทุกข์แล้วก็อุเบกขา ตรงนี้จึงต้องทำความเข้าใจให้ถูกไม่งั้นแล้วก็จะสำคัญทรมากผิด ค, คือเวทนาที่เขาบอกให้ทำใจเฉยทำใจเฉยเนี่ยคนไปนึกว่าเฉยหมายถึงกำหนดสติด้วยเวทนาเฉยเฉยหมายถึงว่ามีสติแบบ ประกอบกับุเบขาเวทนาเวลาเราดูเวทนาสามเนี่ยเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยให้ว่าเฉยๆก็หมายว่าคนกำหนดเนี่ยห้ามมีความสุขในขณะกำหนดเนี่ย ไ, ไปนึกว่าอย่างนั้นเลยเพอกำหนดแล้วได้ความสุขเราบอกโอ้ยทำผิดแล้วเพราะก็าบอกให้วางเฉยเนีย่เราวางเฉยไม่ได้เราปฏิบัติทำเรามีความสุขผิดเลย ลำบากใจพอนึกว่าผีเข้าเลยอากุศลเข้าแทรกเลยที่จริงเนี่ยคนที่กำหนดเวทนาสามเวทนาที่ถูกกำหนดจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาจะปรากฏนะฮะตัวกำหนดเนี่ยถ้าเป็นสติจริงแล้วจะไม่มีทุกขเวทนาเพราะทุกขเวทนานะัประกอบในโทสะ ตัวสติจะประกอบด้วยสุขก็มีอุเบกขาก็มีดีทั้งคู่ถูกทั้งคู่และที่จริงเนี่ยใครที่กำหนดเวทนาด้วยสติที่เป็นสุขนั่นถือเป็นความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมที่เรียกว่าวิปัสนาสุขวิปัสนาสุขนึกเกิดเป็นสุขในสติ ท, ที่จงสติประกอบกับสตินะ และเวทนานั้นอาจจะเป็นทุกข์เป็นอะไรก็ได้ดังนั้นจริงว่าผู้ที่หาความสุขได้แม้กับทุกข์และแม้กับสุขและสุขที่ถูกหาเนี่ยสมมติสุขที่ถูกหาคือสุขที่เสพสุขสุขสุขตัวเสพกับสุขตัวถูกเสพเนี่ยไม่เท่ากันมันถึงปล่อยไอ้สุขตัวถูกเสพได้่ะ สมมุติว่าเราอกินอาหารอร่อยเป็นสุขนะฮะนั่งในที่ที่เป็นสัปปายะเป็นสุขสุขไปหมดนี่คือสุขถูกเสกแต่สติที่เข้าประกหนดเห็นสุขนั้นไม่เที่ยงเห็นสุขนั้นไม่น่าสุขสุขมากกว่าสุขมากกว่าก็เกิดการปล่อยวางนี่เขาเรียกว่าสุขในทางแล้ว เมื่อเกิดทุกข์ขึ้นสุขนี้ก็เสษทุกข์อย่างเป็นอาหารของสุขสุขก็เป็นอาหารของสุขทุกข์ก็เป็นอาหารของสุขอุเบกขาก็เป็นอาหารของสุขนี่นะครับการพัฒนาจิตใจนี่ก็อยู่เหนือสุขทุกข์อะไรก็ได้อย่าอย่าทำหนีว่าแหมตะกระจัง เย็นก็กินล้อนก็กินไม่ยอมเป่าเลยหรือว่าอ อ, อาหารก็กินของเสีย ก, ก็กินอะไรกันนะคือถ้าเป็นการกินธรรมดามันก็ไม่ถูกแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องการทมาเนี่ยต้องอยังไงถึงจะอยู่เหนือและอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยนะไม่มีปัญหาเลยเพราะะฉนั้นการเอาชนะกรรมในชีวิตเนี่ย ถึงศาสนาถึงไปเที่ยวแก้กรรมไม่ให้ไม่มีผลไม่ได้แต่การที่ว่าอะไรเข้ามาเนี่ยเราจับเป็นปุ๋ยหมดนะอย่างนี้ที่ประเสริฐเป็นปุ๋ยธรรมะเป็นปุ๋ยของความสุขหมดโอ้โหอยู่ไหนก็ได้ครับอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วผลที่สุดเนี่ยคนอย่างนี้กลับเป็นว่า <c oughs> เมื่ออสุขไอ้ตัวเนี้เนี่ย ตัวมันเองเนี่ยถ้าลาพังว่าพลังของมันเนี่ยมันทําให้เกิดสุขนะมันอาศัยไอ้นี่เป็นเชื้อเผาไหม้แต่ไหม้แล้วมันไปหูมันไปหูหากพลังของมันทําให้เกิดความสุขในแง่ของความเป็นกรรมปัจจัยเป็นสาชาตปัจจัยเนี่ยนะแต่เวลาเชื้อที่มันเอามาเผาเนี่ยมันเหมือนไอ้สิ่งเหลือใช้เศษขยะมันเอามาเผาเผาแล้วทําให้เกิดไฟไฟไปหูอาหาร ทำไปทำมาเนี่ยไอ้ความทุกข์ที่จะให้มาเป็นเชื้อช่งไม่เคยมีชัางหมดนะฮะชัางหมดเพราะว่านานเข้านานเข้าเนี่ยคนปฏิบัติธรรมันมีพลังก่อสุขที่เป็นผลของมันเองไอ้สุขไอ้ทุกข์อย่างนี้มันมาจากเหตุอื่นนะถูกไหมแล้วก็ไอ้สุขชั้นเบื้องต้นเนี่ยมักจะมาจากเหตุอื่นเป็นส่วนมากนั่นก็คือว่า เหมือนกับเตาไฟนี่เหมือนกับทำมะเชื่อใส่เข้ามาไอ้ข้างบนเป็นหม้อข้าวนะฮะไอ้สิ่งโสโครกในชีวิตก็หมดลงนะฮะไอ้ข้างบนก็มีประโยชน์มากขึ้นเหมือนไอ้เตาแก๊สทิวภาพเป็นการกําจัดขยะที่เขากำลังล่นลงอยู่เวลาเนี้ยเราไม่ต้องเอาขยะไปดิ้งให้เสียหายเอามาทําให้เกิดประโยชน์ไนดะ้นี่เรียกว่าเอาเคราะห ก, กรรมมาทําให้เกิดโชค เอาเคราะกรรมมาเป็นกําลังบำรุงโชคในชีวิตของเรา <c oughs> <c oughs> ที่ท่านพูดถึงเนี่ยพูดถึงในกรณีของพระอาหารหันต์ก็จริงว่าวางใจเฉยระห่วยไปนี่เป็นธรรมชาติแท้ๆเต็มร้อยเปอร์เซ็ของพระลานแต่เราเองเป็นผู้จะต้องเริงเจริญรอยตามพระอาหารหันต์จึงต้อง ใช้หลักตรงนี้วางใจเฉยให้มากแล้วทางรอดทางออกมันมีแน่นอนและต่อไปท่านกล่าวว่าเมื่อเสวยเวทนาสามเนี่ยนะทางกายทางจิตโดยไม่มีตัณหา ย, ย่อมพ้นเวทนาทั้งห่วงตัวนี้ว่าไปอีกขั้นหนึ่งว่าภิกษุนั้นเมื่อเสวยเวทนาที่ปรากฏทางกาย อันนี้เป็นการจําแนกโดยถาวรเมื่อกี้จําแนกโดยสภาพของเวทนาเป็นสามนะครับพอมาจำแนกโดยถาวรก็ทางกายทวาวรกับทางมโนถารพ <c oughs> ิกษูนั้นย่อมเสวยทงเวทนาที่ปรากฏทางกายก็รู้ชัดว่าเราเวเเราสวยเวทนาที่ปรากฏทางกายเมื่อเสวยเวท <c oughs> นาที่ปรากฏทางจิตก็รู้ชัดว่าเราเวสวยเวทนาที่ปรากฏทางจิต อ่าตรงนี้เนี่ยถามพวกเราที่ไม่ใช่พระอรหนันหรือไม่ใช่ผู้ที่เข้าถึงธรรมสูงเนี่ยว่าเรารู้ไหมว่าเราเสวยเวทนาทางไหนอยู่ไม่รู้เลยใช่เลยเวลาเราสุกเนี่ยพอจะรู้ได้ไหมเวทนาทางไหนเวลาทุกรู้ไ่าเวทนาทางกายหรือทางใจพอรู้ไหมก่อดีใจนี่ทางไหนทางใจเสียใจทางไหน ใจอีกนะเวลาไปให้หมอนวดก็จับเส้นแก่ปวดแกเมื่อยทางกายเราก็รู้สึกทีนี้ไอ้เวลามันเกิดมันมันเป็นจักรวพันกันถ้าโดยธรรมดาคนไม่เรียนมันแยกไม่ออกอะบางทีมไปนึกว่าจะทางมันไม่มีทางใจมันทางกายเท่านั้นใช่ไหมฮนึกปนกันหมด แต่ว่าถ้ามาเรียนธรร ม, มะในใจค่อยพยายาออกในทางหลักการช่วยนะแยกในแง่หลักการแต่ว่าถ้าเป็นคนปฏิบัติธรรมะเนี่ยจะมองออกเลยมองออกง่ายมากเลยครับตื้นเลยตื้นว่าไอเวทนาตัวกําหนดหรือเวทนาถูกกาหนดไอเวทนาถูกกาหนดนะเป็นเวทนาที่กําหนดกคนอื่นตั้งมาก่อนแล้วตัวเองมาตุกกําหนดด้วยสติหลังหรือหรือเปล่าเงี้ยก็จะดูออกนะฮะจะชัดมากไม่ยาก <c oughs> แต่ว่า ถ้าเป็นอย่างเราเราก็เอาหลักง่ายๆเนี่ยอะไรที่มันมันเกี่ยวเกี่ยวกับกายนะกับทางกายแหละอะไรเกี่ยวเกี่ยวกับใจก็ทางใจแหละแล้วก็มันเป็นปัจจัยอุดหนุนกันยังไงก็เช่นว่าเวลาที่เร า, าจิตใจเป็นสุขเนี่ยกายก็โปร่งเลยใช่ไหมกายโปร่งเลยถ้าร่างกายเป็นสุขก็มีมาถึงใจจิตใจแช่มชื่นเบิกบานมันก็เลยเป็นวัตจักรเนาะเสร็จ เศรษฐกิจดีใจก็ดีเศรษฐกิจไม่ดีใจก็ไม่ดีไอ้เศรษฐกิจที่เรายกมนวันเป็นเงื่อนไขทางกายเป็นสำคัญแล้วก็ใจดีก็มักจะเศรษฐกิจดีเนี่ยเราเวลาแก่ถึงต้องแก้กลับน่ะต้องเอาใจดีไว้ก่อนใจดีคือเอาใจดีแก่แก่ลํากลับไอ้คาว่าดีเนี่ยความหมายมันกว้างนะอธิบายไม่จบแล้วผมก็อธิบายไม่ได้ดีเลยต้องให้คนอื่นเข้ามาอธิบาย เดี๋ยวจะบอกให้ทราบพูดตงนี้ได้ให้จบก่อนครับว่ารู้ชัดเวทนาทั้งปวงอันตันหาไม่เพลิดเพลินแล้วก็จักเป็นของเย็นสรีละทาดจักเหลืออยู่ในโลกนี้เท่านั้นเบื้องหน้าแต่สิ้นชีวิตเพราะความแตกแข่งกายดูก่อนดิวยส่ทั้งหลายอ น, นี่เป็นอุปมาเหมือนยกหม้อลงอตรงนี้นะท่านบอกว่า <c oughs> พระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้ไม่เพลิดเพลินเวทนานะก็คือเวทนานั้นไม่ไม่ถูกทําให้ร้อนต่อไปเวทนาของเราเนี่ยสุขเวทนาทุกเวทนาที่เราไม่ได้ละตัณหาตัณหาเนี่ยมันทําให้เป็นของร้อนคําพูดนี้ลึกซึ้งละเอียดรอเป็นหลายการณีเราคิดดูให้ดีนะครว่า เราได้สุขเวทนาว่าเราได้สุขเวทนาในธรรมเนี่ยโอ้โหชอบธรรมมากมากปัญหาเข้ามายึดปับ๊บกลายเป็นของร้อนเลยครับบุคลิกคนก็เป็นบุคลิกร้อนเลยทั้งที่ยู่ยุ่งอยู่กับธรรมะอางนี้นะพูดถึงธรรมะอยู่นั่นแหละพูดถึงเมตตาอยูแ่แล้วจะพูดโดยความร้อนกันใช่ไหมปัญหามเข้ามาทําให้ของร้อนและคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยพอได้ธรรมมามาตัญหาเข้าไปยึดเราร้อนเลยครับร้อนเพราะอะไรเพราะมัน มันร้อนพอยึดไอพอผิดพลาดไปมันจะไปดึงไอ้ตัวโทรสะเอามาทีเดียวตึงกุกกุจากเข้ามาทีเดียวทีนี้ถ้าสมมติเราปล่อยเนี่ยมันเย็นนะมันเย็นทําให้ทุกนั้นก็ทุกแบบเย็นเย็นเออทุกยังไงทุกเย็นเยนะ็นทุกแบบเย็นเย็นเออเราก็เจอกันแล้วไม่ใชเหรอคนที่เป็นมะเร็งเป็นอะไรอะไรเงี้ยนะถูกรถชนหัวปอกหัวเปิ่งแต่เขาเฉยเฉยอะ ขนาดเด็กๆยังทำได้เลยอย่างลูกสาวคุณไวรินจานรุ่สมบัติแม่ไม่ได้มาเนี่ยลูกสาวก็คน่ะคนโตไปปฏิบัติทำแล้วเกิดอุบัติเหตุไอ้เพื่อนอผมจำไม่ได้ว่าหนังศีรษะเปิดได้ไงที่ทํานทำยังก็ไม่เกิดอะไรขึ้นคนอื่นเขาก็วุ่นวายเจียวจ้าวกันเออพวกก็ทำมาำช่วยนะทำให้ทุกแบบเย็น คนอื่นน่ะไม่ได้เจ็บซะหน่อยทุกมากกว่าเมื่อสองวันผมเอาไอ้ไอ้บันไดต่อขึ้นไปทำความสะอาดไอ้เพดานไอ้บันไดแบบเหยียบแล้วก็ไอ้เวลาก้าวลงก็ลงผิดข้างพอลงพับมันก็พอเนื้อเหยียบบันไดไปที่ไหนได้มันถึงถึงพือในมือเราก็เป็นไอ้ไอ้ไอ้บันไดมันก็ลบมันก็ล้มตามใช่ไหม เจ้าลูกสาวเขายิงเราก็ตกใจเราก็ใช้ใจดีเสือๆมันก็ไม่ค่อยจะตกใจแล้วก็เอามือเอื้อมมันก็ปรึกมามือเราก็ยันไปแล้วก็ดันก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปทําตกใจนะมันก็เหตุการณ์เขาปกติถ้าเราไปโวยวายไปกันใหญ่เลยโดนหัวแตกอะไรแบบนี้มันมันก็ไม่เป็นอะไรคือไอ้รักยาะอย่างเงี้ยทามั่งก็ช่วยอ่ะช่วยบ่อยๆที่มันเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนไม่มีอะไรแล้วมันก็ ทางรอดมันมันปรากฏเสมอก็คือแล้วถ้าเราทําให้มันอยู่ตัวเนี่ยมันก็หมายความว่าแน่นอนมันต้องมีสติถ้าคนที่ยังไม่เคยจะอยู่ตัวก็ต้องนึกเตือนสติว่ามันอะไรจะแก้ไขยังไงไอ้เรื่องเล็กเ็กน้อยน้อยเนี่ยนะมันก็เป็นพอเป็นผลปรากฏแต่นี่ก็ยังไม่ถึงขั้นหัวเปิดนะถ้าถึงขั้นนั้นยังไม่รู้มันจะเป็นยังไงจะโวยวายเหมือน จคนขี้ตกใจหรือเปล่าล้วก็ไม่รู้เราเมื่อ ก, ก่อนเคยสอนสอนธรรมะแล้วลมมันพัดไอ้ไอกระดานดำสูงเนี่ยจะมาทับหัวแห้เราก็หันหันหลังนี่ใช่ไหมลมบ้านมาคนเรี้ยงก็หันหน้าเลยเราก็ลองกันเราก็ไม่รู้เขาเอารวยอะไรกันโดยเฉพาะคุณสุภาพศรีเสียงทั้งหมดเพื่อนก็ <laughs> ลองโบว์โวแล้วก็หันกลับไปก็มือดัน คือดังแล้วไม่พูดอะไรแตกามมึงเขาก็เลยเงียบไปก็จะนึกแับนี้มึงแหมจะรู้สาร้องห่วงใหญ่ตัวไม่รู้ไม่ไปทำทองไม่ดูร้อนคือถ้าเราทํามีสติอยู่ตัวมันจะช่วยดีอะช่วยอะไรเงี้ยมันมันเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นและถ้าไม่มีสติบางทีนิดเดียวมันกลายเป็นเรื่องรุนแรงเลยไอ้นี่นิดนหน่อยเนี่ยนะ มันเหมือนลงเหมือนไม่ได้ลงตุนทีนี้ว่าไอ้พอมันไม่ทำให้เกิดอะไรกนแล้วมันก็เหมือนไม่มีกล้านะถูกไหถ้าเรามันเกิดขึ้นมาแล้วมันรู้ว่าโอ้มันเป็นเรื่องร้ายแรงถ้าจะไปแลกเปลี่ยนไปซื้อขายเริ่มจะเห็นกุญก้าึ้นมานิดเดียวที่จักรยานอะไรที่ไปเงี้ยบางทีไอ้ล้อฉะงักไปตั้งค้อลำํำ <c oughs> ผม ปีบแบบนี้มาสามครั้งไอปีบไปบนทางอ่นะผีบแล้วก็เวลานั้นมันหักเรลยวตีวงกว้างไว้มันจะเงอไปเหลือแต่ไอไอข้างหลังปดอย่างี้ทำเอาชาบ้านตกใจมาสามหมดเสียแล้วล้วก็กลับมาทำไม่รู้ไม่ชีีบเฉยต่อไอเราจะไปทำเสียหน้าเสียตามันก็เสียมาได้ออกจะไปทำาโตกใจมันมาอก็ช่วยได้นะ วยได้แกลวดคลาดมาหลายครั้งแล้วทำมาหลายไม่แกลวดคลาดไปทำไม่มันบอกอะสติเป็นเครื่องรักษาอย่างนี้นะรักษาป้องกันมันไม่ใช่แค่รักษาป้องกันเดือป้องกันอะไรหลายอย่างเพราะว่ามันมันกันเหตุมันคุมเหตุของทุกได้คือตัณหาเนี่ยมันก็ทําให้ป้องกันปัญหาอย่างอื่นได้อในนี้ที่ท่านใช้คําว่าเวทนาที่สวยทางชีวิตเนี่ย อ่าแล้วจจะงงมันหมายถึงอะไรรู้ไเวทนาทางใจแทนที่จะเรียกว่าเจตสิกกระสบเจตสิกกระทุกท่านกลับเรียกว่าเวทนาทางชีวิตหมายถึงทา ง, งใจครับมีผลทําให้เป็นคนเย็นเลยได้ข้อสรุปอันหนึ่งก่อนที่จะจบนว่าที่พระอาหารหันต์พ้นจากเวทนาได้ ตรงนี้นะ่ะเป็นหลักที่เดี๋ยวจะนึกคานว่าเอ๊ะอเวทนามันเกิดเราจะไปกี่กันล่ๆมันไม่ควรไม่ใช่หรอบอกว่าไอ้วิธีการละเวทนาเนี่ยมันต้องละจากใจก่อนถูกไหมในขั้นเหตุเนี้ยเราจะบอกไอ้ทุกเวทนาอยากเกิดเราเลือกไม่ได้นนวิธีการละในขั้นต้นก็คือการปล่อยใจเข้าไปยึดถือทุกๆพอปล่อยได้ว่าเราเนี่ยไม่มีตัณหาเด็ดขาดแล้ว ร่างกายของเราก็จะเป็นได้เพียงว่าเป็นหลังของเวทนาที่มันเข้ามาเกิดพอถึงจุดหนึ่งเราไม่มีเยอะใหญเราก็ไม่ต้องมีเวทนา <c oughs> มันที่บอกว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราชอบอะไรเราต้องได้ติ่งนั้นติดอะไรต้องอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยมันคืออย่างนี้พระอาหารหันตเวทนานั้นท่านไม่พิสัยเลยโดยเด็ดขาดร้อยเปอร์เซ็นตชีวิตของท่านจึงไม่มีเวทนาอีกต่อไป ใครที่ติดกรมมาสุขก็ยังต้องมาสู่การมการมมาโลกใครที่ติดสุขที่เป็นสุขในฌานก็ไปอยู่ประสุขแบบนั้นไม่ต้องมาอยู่ประสุขแบบนี้แบบที่เราอยู่นะใครที่ติดสุขชั้นต่ำนะก็ลงไปอยู่กับสุขชั้นต่าสุขจากการฆ่าสุขจากการทำเ ร, รื่องอื่นเดืร้อนเนี่ยนี่คือชอบความทุกข์คนอื่นแล้วก็ทำอะไรอะไรเนี่ยไปด้วยอำนาจตะนะ ก, ก็ไปได้อย่าง ถ้าใครที่ทำทั้งสองอย่างเรามาประเภทชอบสองอย่างคื่ทำมาทั้งสองอย่างนะแล้วก็มาอยู่ในโลกนี้ก็เลยสุขบางทุกบา ง, บางไปตามที่เรามีตัณหาหน่วงเหนียวหน่วงนาไว้แล้วก็ได้ทำกรรมนั้นด้วยตัณหานั้นไว้ก็เป็นอย่างนี้เราก็ก็ดีตรงที่ว่าเมื่อเราพอจะมาตั้งเตาหุงหุงวันิพานหุนงมรรคหุงผลก็เนี่ยเลยไ ด, ได้ได้เชื้อฟืนเยอะนะนะ แต่บางทีเราไม่ชอบไอเชื้อฟืนบางอย่างนะโอ้โหมันเหม็นทนไม่ไม่ไหวอะ่ะเชื้อฟืนบางอย่างนะตุกทนไม่ไหวเราก็เลยอยากจะเลือกฟืนบางอย่างก็ก็เลยธรรมะก็เลยไม่คล้องนะครับ <c oughs> เอาละครับผมจะจบเอกสารชุดนี้ไว้เท่านี้นะฮะนี่มันมีอข้างหลังเนี่ยเอ่อ เดี๋ยวผมดูก่อนว่าถ้าจะสมควรพูดต่อเนี่ยพูดต่อนะถ้าถ้าไม่ไม่ต่อก็าอาจจะขึ้นประเด็นอื่นไปแต่ว่าวันนี้นะยังไงก็จะต้องจบแล้วก็จะเรียนให้ทราบว่าในวันอาทิตย์หน้าเนี่ยนะจะมีการบรรยายเตโวนาพิเศษที่นี่เรื่องอพุทธธรรมกับ บิกิดเศรษฐกิจนะตำหนองนี้นะก็จะเจะวนาตัวนี้ก็จะมีคือ <c oughs> เป็นเรื่องธรรมะนะ เ, เพื่อเป็นการเจริมฉลองแ4สิบสี่ปีของประชนมายุของสงังลราชที่ผมเป็นหัวนกรรมการเขาอยู่ด้วยแล้วก็ได้เชิญผู้ทรงพนุบุ มาจะมาลองกันครั้งหนึ่งก่อนในรูปของการเจวนาก็มีท่านที่มาจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่ท่านสนใจทางศาสนาะะแล้วก็ท่านที่เป็น อ, อ, อยู่หน่วย ง, งานธุรกิจระดับบริหารแล้วก็สนใจทางศาสนาก็ เอ่ยเชื่อก็ได้คุณมนูลวงนารีจากธนาคารในประเทศไทยแล้วก็คุณเสถียรภาพพันไพโรจนจากอูลซิเม์นครหลวงไทยแล้วก็ อ, า, อาจารย์วินัย อ, อสิวกคุณที่ท่านสนใจศาสนาแล้วก็ลงมติทางศาสนาและจบปริญญาโททางด้าน เศรษฐศาสตร์จากวิธีแการก็อยากมาต่างวงแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยี่ยเสียดายท่านจะต้องไปต่างประเทศคือเจ้าของเนี่ยวันนี้เชิญท่านมาคุยกันแล้วท่านจะไปต่างประเทศก็เลยไม่ได้อยู่เป็นวิทยากรคู่ร่วมเสวนาตรับเราคงอยากจะฟังท่านว่ า, ท, าท่านทำธุรกิจแล้วก็เป็นนัก ศาสนาสนใจเรื่องสยทางนี้อย่างดีมากคุณยูก็ไม่อยู่ก็ไปเดียกันแ ล, กแล้วก็ผมก็จะเป็นคนทักถามให้พราถ้าถูกถามแล้วผมต้อตอบไม่ได้อันนี้ก็เป็นรูปหนึ่งแล้วก็อาจจะอาจจะเว้นไปแล้วก็บางครั้งก็อาจจะจัดการบรรยายอย่างเป็นศาสตร์เป็นศาสตร์เท่ากหมายความว่า อาจธิบายธรรมะเป็นรูปนี้แบบลึกๆเนี่ยว่ามันน่าจะออกมาไวลักษณะยอย่างไรในโอกาสใดโอกาสหนึ่งนะแต่ว่าจะพูดสั้นๆอาจจะพูดสักวันหนึ่งสองวันแล้วแต่แต่ว่าเดือนเดือนพฤศจิกาเนี่ยผมจะไม่อยู่จะหนีภัยเศรษฐกิจไปอาจจะไปอินเดียนาฮะว่าให้ไป แต่ถ้าไม่ได้ไปก็จะไปหลบอยู่ที่ใดที่หนึ่งจะไปดูตัวเลขให้รางวัลที่หนึ่งให้เจอทัาทีเห็นได้แค่สองตัวยังน้อยไปในช่วงนั้นก็จะมีอาจจะมีกิจกรรมอันนี้นะฮะดูรายการทีวีก็มีพวกเราคนหนึ่งไปพูดดีจังเลยคุณนรงโชควัฒนา ใครได้รู้บางคนไม่รู้ที่ไปออกกับรัฐมนตรีช่วยแรงงานนะอาณาโฮพูดเป็นปัญหาชี้ประเด็นทางธรรมะได้อย่างจับใจมากแต่ที่ไม่ได้ขึ้นหัวข้อเป็นธรรมะแล้วพูดออกมาอย่างเนี้ยมีก็เลยนึกว่าถ้ามีโอกาสท่านว่างอยากจะเชิญท่านมาพูด อ, อธรรมะในในแง่นี้ที่คนที่ทําธุรกิจแล้วก็ สนใจปฏิบัติธรรมสนใจฝึกษาธรรมะย่ามองได้อย่างลึกซึ้งความจริงก็ไม่รู้ว่าเออ่พวกเราอยากจะฟังแค่ไหนแต่ไม่ไม่ได้นึกถึงท่านนะนะเพราะยังไงก็เศรษฐกิจจะขึ้นจะลงเนี่ยท่านก็ยู่คงดีอยู่้องกวนใช่ไหมเราถึงน้าไม่ไม่ถอดสีแล้วเนี่ยมองมองดูแลเนี่ยมากี่ปีกี่ปีกันะ หน้าอยู่ตัวไม่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงหรงจะโดนแว็บไปสิบเปอร์เซ็นก็เฉยก็นึกว่า อ, อยากจ ะ, ะร่วมฉลองกับสังกาชด้วยนะฮะแล้วก็หาหมุมที่มันเป็นประโยชน์เหมาะกับเวลาได้เป็นประโยชน์กับคนวงนอกเพื่อให้เขาเห็นว่ า, าศาสนาเราก็พอมีอะไรที่จะ ช่วยเหลือเลือกคูนปลุกปลอบใจเข้าในคนแต่ละระดับแต่ละกลุ่มเนี่ยนะก็ถ้าือถ้าจะทำกันจริงๆเนี่ยก็ทำได้หลายจุดอย่าล่ะทไปในส่วนของผู้นำทำลงมาในส่วนของคนทั่วไปในระดับครอบครัวก็ได้ทั้งนั้นหลายอย่างยังไงก็มาให้กาลังใจกันหน่อยแล้วกันนะวันนี้ก็ขอยุดติเท่านี้ก่อนเลยครับ